ชีวิตเด็กวัดของหมึกแต่ก่อนผมเป็นเด็กวัดคลุกคลีอยู่กับวัดตลอดเพราะคุณตากับหลวงตาเป็นเพื่อนรักรุ่นเดียวกันวันเสาร์อาทิตย์ผมต้องไปวัดขี่จักรยานไปกับเพื่อนและคลุกอยู่ที่วัดสภาพวัดในตอนนั้นไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้ยังไม่มีกำแพงไม่มีเนนนานๆจึงมีเนนเข้ามาสักอง ผมมีเพื่อนสนิทชื่อทิอุงไปไหนไปด้วยกันส่วนมากก็หายไปทีละคนสองคนจนหมดแล้วพวกผมมีหน้าที่ต้องไปวัดทุกวันตั้งแต่ตีสตีห้าไปทำงานช่วยวัดช่วยหลวงตาต้องไปประเคนบาตรทุกเช้าพอประเคนบาตรให้พระแทนเนนเสร็จแล้วก็จะเข้าไปในครัวฝ่ายหญิงซึ่งโยมแม่ของหลวงตากับคุณแม่น้อมซึ่งเป็นแม่ชีทั้งสองท่านดูแลอยู่คุณแม่น้อมเป็นผู้ทำแกง ส่วนโยมแม่หลวงตาจะตําน้ําพริกทําถวายพระทั้งวัดในช่วงเข้าพรรษาเช่นขณะ น, นี้ท่านเอาใบตองอบให้แห้งห่อใส่น้ําพริกและคุณแม่น้อมทําผักอีกหม้อหนึ่งเป็นอาหารเพื่อถวายหลวงตาและพระทุกองค์ในวัดสมัยนั้นมีผู้คนเข้ามาใส่บาตไม่มากเหมือนในเวลานี้ต้องทําอาหารเสริมชาวบ้านนิยมใส่บาตเฉพาะข้าวเหนียวหลวงตาได้ให้โยมแม่และคุณแม่น้อมทําอาหารเสริมถวายพระ เป็นแบบอย่างของวัดป่าถึงทุกวันนี้หากเป็นช่วงนอกพรรษาผมมีหน้าที่เข็นรถเข้าไปเอาอาหารใส่รถมาที่สาลาเพื่อถวายพระส่วนในช่วงเข้าพรรษาก็เอาอาหารไปใส่บาทหน้าวัดเช่นที่ทําอยู่ทุกวันนี้ผมเป็นเด็กอยู่วัดต้องช่วยงานทุกอย่างในวัดและงานที่ต้องทําอยู่ทุกวันคือการขนปุ๋ยคอกเอามาใส่ต้นไม้ วันลรถสองรถจากหมู่บ้านปุ๋ยคอกก็คือขี้ควายในคอกตามใต้ทุนบ้านต่างๆเอามารวมกันขนมาที่วัดใช้เป็นปุ๋ยปลูกป่าให้ร่มรื่นเขียวขจีเพราะบริเวณวัดมีต้นไม้อยู่มากปลูกใหม่ก็แยะดินขาดปุ๋ยพวกผมนี่แหละทําสวนเป็นผู้แรกๆของวัดหลังกุฏิหลวงตาจะเป็นต้นไผ่กอใหญ่หลวงปู่ลีเป็นผู้นาพวกผมไปขุดดินทาสวนปลูกต้นไม้ทุกชนิด หน้าแลงต้องใช้รถเข็นขนน้าไปรถต้นไม้ทุกต้นในวัดด้วยการโยกน้ําจากบ่อใส่ปี๊บและไหใบขนใส่รถวิ่งไปตามทางเดินไปรอบวัดรดน้ําตามที่หลวงปู่ลีสั่งการสมัยผมเป็นเด็กผมชอบไปนอนใต้ศาลาที่มีกองไม้หลวงตาท่านเดินมาเงียบๆ เ, เอาน้ํำมาสาดบอกว่าพวกสูงมานอนอยู่ที่นี่ไปเอารถเข็นไปรดน้ําต้นไม้หรืออา้าว วันนี้กินข้าวเสร็จแล้วไปขนปุ๋ยใส่ต้นไม้นะท่านให้งานทำตลอดตอนเด็กๆผมค่อนข้างจะโลดโผนหน่อยแต่เห็นหลวงตา ม, มาเมื่อไรต้องกลัวท่านทุกทีเหมือนกิ้งคือเลยเห็นท่านไม่ได้ตัวงอขดกลมเลยกลัวท่านจริงๆหลวงปู่ลีเป็นผู้พาทำงานเด็กวัดมี 3-4 ถึงี่คนก็ให้ทำงานไม่ปล่อยให้ว่างหากว่างจริงๆก็จะหนีไปเล่นกันให้ไกล แต่นี้ไกลแค่ไหนก็ไม่เคยพ้นท่านสักที